หลายคนมาที่วัดป่าสุกตโตก็เพราปรารถนาความสงบมันทำไมอะไรเป็นสาเหตุให้มาหาความสงบที่ที่นี่ส่วนหนึ่งก็คงเพราะว่าที่นี่มันไกลาจากความกระทุกวุ่นวายของเมือง ไกลจากปัญหาภาระของเราที่บ้านแล้วก็ไม่มีเสียงอรกทึกคือโครมหรื อ, อ, ร อ, ร อ, อสิ่งเราเรายา ว, ย, าวยวนมากเพราะว่ามันเป็นสภาพป่าเมื่อมาถึงแล้วนะมาอยู่บรรยากาศแบบนี้ ความสงบก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากแต่ว่าความสงบแบบนี้นี่มันก็ยังหาความแน่นอนไม่ได้นะพูดง่ายคือว่ามันมันไม่เที่ยงเพราะว่ามาอยู่ป่าแล้วบางครั้งก็ยังมีเสียงดังเสียงรถเสียง ประกาศโฆษณาหรือแม้แต่เสียงโทรศัพท์นะที่เจ้าของอาจจะลืมปิดเอาไว้ยังไม่ได้พูดถึงเสียงผู้เสียงของผู้คนที่อาจจะพูดให้เราไม่พอใจมาอยู่ป่าแล้วเนี่ย ก็ยังอาจจะต้องเจอกับความไม่สงบเพราะเสียงหรือถึงแม้ว่าเสียงจะไม่มีอะไรมารบ ก, กวนนะแต่ว่ารูปที่เห็นหรือสัมผัสที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สงบใจได้อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ก็มีแมลงนะ มแมลงบินมาจะไมไ่ทำอะไรเราเลยนะแต่เพียงแค่เห็นนี่ก็รู้สึกว่าขาดัดทูขัดตายิ่งมันมาสัมผัสตัวเราก็จะรู้สึกรบกวนอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงความร้อนหรือแสงแดดนะไม่มีเสียงรบกวนแต่ว่า ก็อาจจะใจไม่สงบเพราะว่าแดดร้อนอากาศอ้าวหรือว่าความชื้นแฉะก็ได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะเสียงก็ไม่ใช่ปัญหามแมลงก็ไม่ใช่ปัญหาความร้อน ความชื่นจะแสงแดดมันไม่ใช่ปัญหาถ้าหากว่าความไม่สงบจะเกิดขึ้นก็เป็นเพราะใจเราเองใจที่รู้สึกต่อต้านนะใจที่ผลักไสไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ มแมลมันก็บินไปตามธรรมชาติของมันเสียงก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาของมันมันไม่ทำให้เราทุกข์ได้มันไม่ทาให้เราว้าวุ่นได้หากว่าเรายอมรับมันไม่ผลักไสไม่ต่อต้านมันลองสังเกตจิตใจของเราไหมเวลาเสียงที่ไม่คาดหวังดังขึ้น เสียงรถยนต์มากระทบขูมแมลงที่บินให้เราเห็นๆ เ, นะเต็มศาลาตอนนั้นเราสังเกตใจของเราหรือเปล่านะว่าเป็นอย่างไรนะมันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นอาจจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเรารู้ทันไหมเรารู้ทันอาการอารมณ์นั้นไหม และที่มันหงุดหงิดที่มันไม่พอใจก็เพราะอะไรแล้วก็เพราะความรู้สึกต่อต้านข้างในในใจเราต่อต้านมันผลักไสมันพอมันไม่ไปมันยังอยู่มันยังดังให้เราได้ยินมันยังบินให้เราเห็นความไม่พอใจ ความหงุดหงิดก็เกิดขึ้นตามมาไอ้ความไม่พอใจความหไม่ความหงุดหงิดนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาอลอยๆนะมันมีเหตุและเหตุหรือปัจจัยนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่ใช่เพียงเพราะว่ามันมีเพราะเราได้ยินเสียงเราเห็นมแมลงหรือว่าตัวเนื้อตัวเราสัมผัสกับความร้อนความชื้นอันนั้นปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในคือว่า ใจที่มันต่อต้านัผักใสลองสังเกตนะรับรู้เท่าทันความรู้สึกนั้นจริงๆถ้าเราลองฝึกใจให้เป็นกลางกับสิ่งนั้นดูหรือว่ายอมรับมันเมื่อเรายอมรับมันนะมันก็ไม่ทาใหเราหงุดหงิด หรือว่าเกิดความชังไม่พอใจอเสียงไม่ใช่ปัญหาน้มแมลงไม่ใช่ปัญหาแต่ความรู้สึกผักใสนะไม่ยอมรับมันต่างหากอันนี้แหละคือตัวการที่แท้จริงต้นเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกแต่อยู่ที่ปัจจัยภายใน ทุกที่ว่านี้หมายถึงทุกใจนะถ้าทุกกายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทุกกายจะเกิดจากปัจจัยภายนอกเกิดจากแดดเกิดจากความร้อนเกิดจากของแหลมมากระทบเกิดจากอาหารที่เป็นพิษนะแต่ว่ามันจะไม่ลามไปเป็นความทุกข์ใจถ้าหากว่าใจเราไม่ไปต่อต้านผลักไสสิ่งที่เกิดขึ้น ให้รู้เท่าทันใจที่ต่อต้านผลักไสแล้วก็ลองทำให้ใจเป็นกลางดูไอการเจริญสตินะที่เราทำเนี่ยนะก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เราได้ฝึกให้วางใจเป็นกลางนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับกายก็ดีกับใจก็ดีไม่ว่าภายนอกหรือภายใน เมื่อใจเราก็เพื่อมเพราะชอบก็ดีชังก็ดีสติก็ช่วยทำให้รู้ทันแล้วก็วางมันลงได้และสิ่งที่จะช่วยให้ใจเรายอมรับ ให้ผักไสสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยนอกจากสติแล้วซึ่งช่วยทําให้เราวางใจเป็นกลางหรือรู้สึกเป็นกลางๆงแล้วเนี่ยมุมมองก็สําคัญนะมุมมองเช่นมองว่ามันไม่ใช่ปัญหามองว่ามันเป็นธรรมดานะอยู่ในป่าก็อาจจะมีเสียงดังบ้างก็เป็นธรรมด า, มาแมลงบินมาบ้างก็ธรรมดานะผู้คนพูดคุย ในขณ ะ, นะะที่เราปฏิบัติคนข้างห้องเขาส่งเสียงดังเอาก็ธรรมดาพอมองว่าเป็นธรรมดานะใจเราก็ยอมรับมันได้ง่ายขึ้นนะอันนี้เป็นตัวช่วยนะช่วยสติให้ให้รู้ทันให้น้อมใจเป็นกลาง นะกับสิ่งที่มากระทบเวลาใจเรายอมรับนะกับสิ่งใดก็ตามเนี่ยไม่ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวเราก็สงบได้ใจก็สงบได้ เ, เคยเมื่อปีที่แล้วก็ได้ไป มีโอกาไปสังเวยชนสถานสถานที่หนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่ทุกคนต้องไปคือพุทธคยาเดี๋ยวนี้นี่ที่เจดีพุทธคยานี่คนเยอะมากนะเป็นร้อยเป็นพันในแต่ละขณะในแต่ละนาทีนี่เป็นเรียกว่าเป็นร้อยๆเหลือจะเป็นพันทั้งวันนี่คงหลายหมื่นทีเดียว และสิ่งที่ตามมาพร้อมกับคนที่เยอะแยะซึ่งบางช่วงก็แน่นขนาดนะก็คือเสียงดังมีเสียงนานาชนิดนะผู้คนอย่างเช่นคนไทยนะเวลาไปเดินรอบประทักศินเดินประทักศินรอบนะเจดีย์พุทธคยานี่ก็มีการสวดอิติปิโสไปด้วยสวดปากปล่าไม่พอก็มีเสียงไมโครโฟนสวดเสร็จก็มา มาสวดมนต์ทำวัดเย็นทำธรร ม, มชาติทำวัดเย็นแล้วก็มีเทศใช้เครื่องขยายเสียงกทั้งนั้นไม่เฉพาะกลุ่มคนไทยนะกลุ่มชาวพมา่าลังกาคอมเมนคนอินเดียคนทิเบตนะก็ใช้เสียงกันคนละกลุ่มละไม่น้อยเลยเสียงดังแต่ว่าสังเกตเห็นหลายคนนะ เป็นสิบๆเลยนะก็นั่งสงบทําสมาธิคิดว่าในใจเขาก็คงจะไม่ได้วุ่นวายเพราะเสียงเหล่านั้นัน้าที่เสียงก็ดังนะแต่ถ้าเกิดว่าลองนึกภาพคนที่ไปนั่งทําสมาธิในตลาดนะ ริมถนนเสียงดังพอๆกันเนี่ยเชื่อว่าเขาคงจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ทำไมเสียงความดังของเสียงก็เท่ากันแต่ว่าอยู่ที่หนึ่งเสียใจไม่สงบแต่อีกที่หนึ่งใจสงบนีสแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะความดังของเสียงแต่มันเป็นเพราะว่าความรู้สึกของใจหรือว่าปฏิกิริยาของใจที่มีต่อเสียงเหล่านั้น คนที่อยู่พุทธคยานั่งทาความสงบก็รู้สึกดีกับเสียงที่ดังตลอดเวลาพระรู้ว่าเป็นเสียงสดมน์พราะรู้ว่าเป็นเสียงแสดงความเคารพสักการะ บ, บูชาพระตนะไตรเขาก็เลยใจเขาก็เลยยอมรับกับเสียงเหล่านั้นได้พอใจยอมรับได้มันก็สงบในทางตรงข้ามนะ เมื่อไปอยู่ในกลางตลาดเสียงกระทึกจอแจหรืออยู่ริมถนนเสียงรถพลุกพล่านใจก็อาจจะไม่ยอมรับใจไม่ชอบเสียงเหล่านั้นพอใจไม่ชอบก็เกิดอะไรขึ้นเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจเกิดความว้าวุ่นความไม่สงบตามมาแล้วเกิดขึ้นทันทีเพราะยังเจนได้ว่า จริงๆคนแล้วคนเราเนี่ยใจสงบไม่สงบไม่ใช่เพราะเสียงมากเท่ากับความรู้สึกที่มีต่อเสียงนั้นถ้าใจยอมรับได้นะใจก็สงบและที่ยอมรับได้ก็เพราะว่าการรู้สึกดีหรือการให้ค่าในทางบวกนะเห็นว่ามันเป็นบวกนะก็ยอมรับได้ได้ง่าย ไม่ใช่แตเสียงดังนะที่เกิดจากเครื่องจักรหรือว่าเสียงผู้คนท่านนั้นนะแม้แต่เสียงตําหนิต่อว่าด่าทอเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจของเราเองที่ต่อต้านผักสหรือเปล่าถ้าต่อต้านมันไม่ยอมรับมันก็ทุกนะแต่ถ้ายอมรับมันได้เนี่ย ใจก็สงบสมัยที่หลวงพ่อพุทธานิโยนะท่านยังเป็นพระหนุ่มนะหลวงพ่อพุทธนี่ท่านเป็นอดีตเจ้าวัดป่าสารวันนะมรณภาพไปกว่าปีแล้วถ้าเาว่าตอนที่ท่านยังเป็นพระหนุ่มเคยไปจำพรรษาที่แถวอุบลตัวเมืองวันหนึ่งก็เดินบินธบาตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกชาย รอใส่บาทอยู่ท่านก็เดินไปหาเพื่อที่จะรับบาทพอเข้าไปใกล้ๆนี่ลูกชายวัยห้าขวบตัวเล็กๆก็พูดขึ้นมาว่ามึงบอแม่นพระดอกมึงบแม่นพระดอกไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระพูดขึ้นมาเลยนะทันจีที่ได้ยินนี่ท่านก็ฉุนขึ้นมาเลยนะไม่พอใจ แต่ท่านจะสักพักก็ได้สตินะพอมีสติรู้ว่ากำลังไม่พอใจก็มีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าเออถูกของมันเราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอท่านได้คิดแบบนี้นี่ความโกรธดับคู่ไปเลยท่านก็เดินไปตามปกติแล้วก็ไปรับบาตจากแม่ของเด็กคนนั้น ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือร้อนรุ่มเพราะคําพูดของเด็กคนนั้นเลยทำไมท่านไม่โกรธนะเพราะ1ท่านมีสติสองท่านยอมรับคําพูดของเด็กคนนั้นได้ถูกของมันเราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระต้องไม่โกรธพอท่านยอมรับคําพูดหรือคําตอว่าของเด็กคนนั้นได้นี่ใจท่านสงบเลย ให้เวลาเราทุกข์เพราะว่ามีคนพูดต่อว่าให้ได้ยินเนี่ยจะไปคิดว่าไอ้คําต่อว่าเหล่านั้นเป็นตัวการทําให้เราทุกข์นะแต่เพราะใจของเราที่ไม่ยอมรับนะลองยอมรับมันสักหน่อยนะเขาว่าอะไรเราก็ยอมนะเออยอมไม่ต่อต้านไม่ผักใสไม่เถียงไม่โต้ บางคนไม่โต้ที่ปากนีแต่ว่าใจเนี่ยมันเถียงมันโต้มันแยง้งอันนั้นก็ทําให้วาวุ่นทําให้ใจวาวุ่นได้ถึงกับนอนไม่หลับแต่ถ้าเรายอมรับมันได้เออนะขอว่าเราเราก็รับซะเลยนะมันสงบเลยนะใจมันสงบได้กับสิ่งอื่นก็เหมือนกันนะนะความ ความเจ็บนะไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตามเวลาเจ็บหรือปวดหรือเมื่อยหรือไม่สบายเนี่ยลองสังเกตไม่ว่ามันมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นตามมาด้วยมันทุกข์ใจเพราะอะไรนะเพราะข้างในใจมันต่อต้านมันไม่ชอบมันรังเกียจมันต่อสู้ขัดขืนมันผลักไส ความเจ็บความปวดล่านะลองดูนะลองรู้ทันไอความรู้สึกผักใสที่ใจทันทีที่รู้ทันความรู้สึกผักใสต่อต้านเนี่ยใจมันจะกลับมาเป็นปกติเป็นกลางและมันจะไม่มีความทุกข์ใจเหลือมันมีแต่ความทุกข์กายหรือถึงมีความทุกข์ใจ หลงเหลืออยู่ก็น้อยถ้าพอทุกข์ใจมันลดลงแล้วนี่นะไอ้ความทุกข์กายนี่มันก็กลายเป็นเรื่องที่พอรับได้นะพอไหวนะแต่ถ้าใจเราต่อต้านนะไม่ชอบนะบนตีโพยตีพายโวยวายความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นความคันพระยุงกัด นะหรือว่าเพราะมแมลงมาสัมผัสตัวอันนี้มันทุกข์ใจทันทีเลยแล้วกลายเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้กระสับกระสายขึ้นมาถ้ามันฝึกมาดูใจนะเวลาเกิดเวทนามันจะปวดที่เท้าก็อย่าเพิ่งเอาใจไปปักตึงที่เท้าที่ปวดที่เมื่อยหรือมือที่คันเพราะว่ายุ่งกัดลองกลับมาดูใจสักหน่อยซิ มันรูลกสึกอย่างไรกับเวทนาที่เกิดขึ้นมันบนตีโพตีพายไหมมันวอยวายหรือเปล่ามันกลดาข้างในใจั้ยลองรู้ทันมันพอรู้ทันมันก็จะสงบได้หรือว่าจะจะมองว่าเออธรรมดาก็ได้มองเป็นธรรมดาการมองเป็นบวกก็ช่วยทำให้รับยอมรับ กับเวทนาที่เกิดขึ้นได้ยอมรับสิ่งที่มาสัมผัสกระทบตัวเราได้อย่างที่บอกไว้แล้วเป็นตัวช่วยนะการมองการมองการมองว่ามันเป็นธรรมดาการหรือการมองว่ามันเป็นบวกมีประโยชน์ถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นแกเป็นมะเร็งเราก็ต้องได้รับการฉายแสงในโดสที่สูง ในปริมาณที่สูงรวมทั้งการรับเคมีบำบัดด้วยซึ่งคนจำนวนไม่น้อยแม้แม้เป็นโดสต่ำๆนี่ก็แพ้แล้วได้รับปริมาณที่ต่ำๆก็ยังแพ้ถ้าได้รับปริมาณที่สูงนี่จะขนาดไหนอาเจียนนอนไม่หลับนะกินไม่ได้สารพัดแต่ว่า คนไข้คนนี้นะพอได้รับใช้การใช้แสงได้รับเคมบําบัดเคมีบําบัด เ, เนี่ยในปริมาณที่สูงก็กลับมีอาการแพ้น้อยมากถ้าคนก็ถามว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีอาการเหมือนคนอื่นเขาเธอก็ตอบว่าเนี่ยเวลาได้รับการใช้แสงก็ก็นึกว่ากาลังได้รับแสงที่ เวลาได้รับเคมีบำบัดก็ได้รับแสงสวรางนะเวลาได้รับเคมีบาบัดก็นึกว่ากาลังได้รับน้ําทิพต์นะคือพยายามมองให้เป็นบวกซะว่ากําลังได้รับแสงสวรรค์ได้รับเป็นได้รับน้ําทิพต์พอมองแบบนี้ใจก็ไม่ต่อต้านใจก็ยอมรับยอมรับทั้งเคมีบําบัดยอมรับทั้งรังสี พอใจยอมรับร่างกายก็ไม่ต่อต้านมีาการต่อต้านนิดหน่อยแล้วก็แพ้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเวลาได้รับการฉายแสงได้รับเคมีบําบัดนี้ก็กลัวเพราะได้ยินกิตติศักดิ์มาว่าเดี๋ยวมันทําให้แพ้โน่นแพ้นี่ยังไม่ทันรับเล ย, เยใจก็กระเพื่อมแล้วใจก็ต่อต้านแล้ว พอรับเขาจริงๆนี่ใจมันก็ต่อต้านมากทุกใจด้วยกายมันก็สนองตอบนะมันก็ต่อต้านเหมือนกันหนักขึ้นกว่าเดิมก็ทำให้แพ้มากแพอใจเรายอมรับแล้วนะมันก็ช่วยบรรเทาทุกขเวทนาหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับกายหรือกับใจได้ เวลาเป็นมะเร็งนะเหมือนกันนะคนที่ทุกข์มากคือคนที่บ่นตีโพยตีพายใจไม่ยอมรับทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นฉันทำความดีมามากทำไมต้องเป็นชั้นนะพอต่อต้านอย่างนี้เข้าเนี่ยโอ้มันทุกข์ทั้งใจทุกข์ทั้งกายเลยแต่พอยอมรับมันได้ลองฝึกใจลองทำใจเป็นกลางหรือว่า ลองมองมันในแง่บวกบ้างหรือว่าลองมีเมตตากับมันบ้างถ้าคนที่มีเมตตากับมะเร็งไม่ต่อต้านไม่ผักใสก็สามารถจะอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีความสุขสุขที่ใจนะไอ้เรื่องกายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ความทุกข์กายก็จะลดลงไปด้วยนะพอใจยอมรับมันได้แต่คนส่วนใหญ่เกลียดมะเร็งที่มีอยู่ในร่างกายตัวเองกนดา ม, มันทุกวัน ก็ยิ่งทำให้ทุกข์ใจากายก็พลอยย่าแย่ตามไปด้วยมีคนหนึ่งเป็นโรคสะเก็ดเงินนะโรคสะเก็ดเงินปวดมากต้องนอนบนใบตองเพราะว่าน้ำเหลืองแรงตามก็ไหลแต่เธอก็ไม่ได้ทุกข์หรือทุรนทุรายนะไปกับโรคนี้เธอก็พยายามแผ่เมตตา ให้กับโรคสะเก็ดเงินแผ่เมตตามเมงินที่เราแผ่เมตตาเมื่อสักครูเนี่ยส่วนอย่เราแผ่เมตตาให้กับชีวิตต่างๆนะแต่ว่าเธอนี่แผ่เมตตากัให้กับโรคสะเก็ดเงินนะบอกว่าถ้าเธอจะไปพูดกับสะเก็ดเงินนะบอกถ้าเธอจะไปกเ็เอาบุญกุศลฉันไปด้วยนะแต่ถ้าเธออยู่เธอต้องระวังนะเพราะยาที่ฉันใช้ยาที่ฉันกินนี่มันแรงมาก นั้นเธอก็ใช้เมตตาเนี่ยนะแผ่ให้กับสเก็ดเงินมันจะมันจะมีผลหรือไม่กับสเก็ดเงินก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่คือมันมีผลต่อจิตใจของเธอทำให้ใจเธอไม่ทุกข์ไปกับโรคนี้แล้วก็ช่วยลดความทุกข์กายไปได้ด้วยนี่ถ้าเราลอง มันดูใจของเราเวลามีอะไรเกิดขึ้นดูว่าใจของเราต่อต้านไหมใจของเราปฏิเสธผลักไสไหมมันจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเลยช่วยลดความว้าวุ่นในใจและทําให้ใจสงบได้สงบได้ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีอะไรมากระทบไม่ใช่เพราะาไม่มีไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, มีไม่มีสิ่งบีกคั้นไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ มีมันเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์เรานี้ไม่พ้นหลอกเรื่องแบบนี้สิ่งที่จะบีบคั้นจากภายนอกและจากภายในแต่ว่าเราสามารถที่จะรับมือกับมันได้หากว่าเรารู้จักวางใจเป็นกลางกับมันไม่ผักสายมัน้มัอถึงเวลาที่เจอเรื่องหนักๆ น, นะมันก็ไม่ทุกเลยแม้กระทั่งความตาย ความตายมันทำให้เราทุกข์ทรมานมากเพียงแค่นึกถึงเพราะว่าใจเรามันผักใสใจเรามันต่อต้านเรากลัวความกลัวความกลัวนี่ก็เป็นอาการของใจที่ผักใสต่อต้านแต่ถ้าเรายอมรับมันได้ว่าเพราะมองว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาหรือเพาะมองว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันใจเราก็เป็นปกติได้แม้ความตายใกล้เข้ามา ไม่บานไลาไม่สะทกสถทานยิ่งท่านมีปัญญาเห็นชัดเลยนะว่าโอสังขารนี่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็ทำให้ใจจะรับความตายได้โดยดสุสเนะีเหมือนกับลูกจ้างที่ทำงานแล้วก็รอเวลาเลิกงานอันนี้เป็นคำเปรียบเทียงของภาษาริบุตรเมื่อวานก็ไป ไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนที่วัดภูเขาทองท่านก็พูดที่จริงท่านเขียนนะเขียนไว้ประโยชน์นะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวตายนะสนุกดีนะท่านใช้คําว่าสนุกดีตอนที่ป่วยท่านก็ใช้คําว่าสนุกป่วยทจริงเตรียมตัวตายที่หลวงพ่อพูดนี่ไม่ได้ไหมายถึงการเตรียมใจนะใจนี่ท่านาเรียกว่าพร้อมมานานแล้ว ที่จริงท่านยังไม่อยากให้มารักษาท่านมากมายขนาดนี้นะท่านบอกว่าเป็นภาระนะกับพวกเราที่จะดูแลท่านน่าจะปล่อยให้ท่านมรณภาพาไปต้องต้องต้องนานแล้วนะคือท่านมีปัญหาเรื่องการหายใจก็เลยให้หมอช่วยผ่าเจาะคอ ท่านก็บอกว่านี่ถ้าไม่ถ้าไม่ไ ม, ไ, มไม่ผาไม่เจาะค อ, อนี่ท่านก็ไปานานแนละ้วอยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์นะท่านก็ก็พอใจที่จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าลูกลูกศิษย์นะญาติโยมก็อยากจะให้ท่านได้อยู่ไปนานๆก็เลยท่านรู้สึกเป็นภาระภาระกับคนอื่นที่ว่าเตรียมตัวตายนี่ก็เลยไม่ได้หมายถึงการทำใจให้ การเตรียมใจท่านเตรียมใจนานแล้วท่านพร้อมนานแล้วแต่เตรียมก็เตรียมในเรื่องของว่าจะาเรื่องจะจัดพิธีศพกันอย่างไรนะก็บอกก็สั่งก็แนะนำนันท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะกับความตายที่กำลังมาถึงซึ่งอยู่ใกล้ตัวมากอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าพร้อมแล้วนะไม่ปฏิเสธไม่ผักใส แต่คนจำนวนมากแม้จะไกลาจากความตายแต่เพียงแค่คิดถึงแค่นึกขึ้นมาถึงความตายของตัวก็กลัวก็ไม่อยากนึกสะทานเสียวแม้แต่จะให้คนอื่นพูดแม้แต่ได้ยินคนอื่นพูดถึงเรื่องความตายก็ไม่อยากได้ยินให้เขาหยุดพูดซะนี่เพราะว่าใจมันยังต่อต้านอยู่ ไปคิดว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่จริงความตายไม่น่ากลัวนะแต่ความกลัวตายต่างหากที่น่ากลัวความกลัวตายมนทาให้เราผลักไสต่อต้านว่าการฝึกจิตเนี่ยเพื่อที่จะให้ยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับกายกับใจเนี่ยสำคัญมากมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจสงบได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งภายนอกสงบไม่ใช่เพราะสิ่งข้างนอกไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีใครต่อว่าด่าทอเราทุกคนพูดดีๆกับเรานะอันนั้นไปรอความสงบใจเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันหวังไม่ได้ถึงมีก็ชั่วคราวแต่ถ้าต้องการความสงบใจจริงๆก็ต้องฝึกใจของเรานะให้รู้จักเป็นกลางตับทุกอย่างที่เกิดขึ้น ตรงนี้การเจริญสติสำคัญมากนะเราเริ่มต้นการเจริญสติด้วยให้ด้วยฝึกให้ใจเป็นกลางต่อความคิดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะคิดดีคิดไม่ดีนะก็ไม่ผลักไสมันบางคนนี่พอคิดดีก็โจนเข้าไปหาเลยแต่พอคิดไม่ดีคิดถึงเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตก็พยายามผลักไสมัน บางคนก็ผักไสต่อต้านทุกความคิดเลยเพราะว่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคทำให้ใจไม่สงบทาให้การปฏิบัติไม่เจริญก้าวหน้าอันนี้ผิดทางแล้วนะเพราะว่าเราการเจริญสตินี่นะเป็นการที่เปิดใจยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลวงพ่อนะเขียนท่านสอนว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างนะช่างมันไปนหมดช่างหัวมันไปนหมด หน้าทีของเราคือดูเฉยๆเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเองไม่ต้องไปกดข่มมันเพราะความรังเกียจถ้าไปมองว่าความความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนี่เป็นปัญหานี่จะปฏิบัติด้วยความทุกข์มากเลยจะปฏิบัติด้วยความเครียดเพราะจะคอยไปกดข่มมันตลอดเวลาแล้วยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งพุดยิ่งโผล่ยิ่งรบกวนยิ่งลังควาน สุดท้ายก็เครียดหนักนะบางทีทนไม่ไหวเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองว่าทำไมมันคิดมากเหลือเกินไอคิดมากไม่ใช่ปัญหานะแต่ใจที่อยากจะให้มันหยุดคิดต่างหากใจที่มันไม่ชอบใจที่ต่อต้านความคิดต่างหาที่เป็นปัญหามันจะเีื่อคิดไปนะหน้าที่เราคือรู้มัเฉยรู้ได้ใจที่เป็นกลางคือรู้สู้ส อย่างที่หรวพ่อเถียนท่านพูดได้สอนบ่อยๆครูสื่อๆรู้เฉยๆนะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้ใจเนี่ยเราสึกเป็นกลางกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเริ่มจากสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก่อนไม่ว่าจะเป็นความคิดทีแรกก็เป็นความคิดก่อนต่อมาก็เป็นอารมณ์จะเป็นความกลัวความโกรธก็อย่าไปแยกกับมันนะบางทีพอมีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่พอใจแล้ว สังเกตเห็นความไม่พอใจลึกๆที่มันเกิดขึ้นเวลามีความโกรธหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่านั่นเรากาลังโกรธความโกรธอยากจะระงับความโกรธแต่ว่าปล่อยให้ความโกรธอีกตัวหนึ่งโผล่ซ้อนขึ้นมาไปรู้เท่าทางความโกรธตัวแรกแต่ไม่ไม่เห็นความโกรธตัวหลังความโกรธตัวหลังคือความไม่พอใจที่มีความโกรธเกิดขึ้นนะ นักปฏิบัตินี้ต้องต้องต้องมีสติไว้พอที่จะเห็นไอตัวโกรธตัวที่สองนะที่มันเกิดจากความไม่พอใจในโทสะที่เกิดขึ้นฉ้าพอไม่ไม่เท่าทันในโทสะหรือตัวตัวโกรธตัวที่2ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยความกลัก็เลยไม่หายสักทีนักปฏิบัติหลายคนก็บ่นว่าทําไมรูกก้ว่าโกรธแต่ทําไมความโกรธไม่หาย ก็พอใจมันยังมีความรู้สึกปฏิเสธความโกรธอยากจะกดข่มความโกรธเอาไว้นะ่ะสิแล้นต้อต้องปรับท่าทีของใจเสมอใหม่นะเป็นกลางกับมันมันโกรธก็รู้เห็นมันว่าเป็นธรรมดาเป็นสภาวะดูมันเฉยเฉยเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ดูเหมือนดูเสมอว่ามันไม่ใช่เป็นเราที่โกรธแต่ทจริงมันก็ไม่ใช่เราจริงๆนะที่โกรธ เพราะมันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกแต่ใหม่ๆก็ลองดูเสมอว่าไม่ใช่เราที่โกรัวแต่เป็นความกลัวของคนอื่นแล้วก็ดูมันไปไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมันแค่ดูเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วต่อไปก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เราโกรธจริงๆนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เส ม, มือนว่าไม่ใช่เราโกรธนะั่นแต่จริงมันไม่มีเราที่โกรธตั้งแต่แรกแนละ้วถ้าเราเห็นอย่างนี้เนะี่ยมันก็ความโกรธไม่ใช่ปัญหามันก็สงบได้ สงบได้ท้ำกลางผู้คนท้ำกลางความวุ่นวายก็ทึกจอแจจะอยู่รอบข้างอันนี้แหละคือความสงบที่ที่พวกเราควรจะนะมีหรือว่าทำให้ได้อะไรช้นี้ก็เพิ่งกันเท่า น, นี้นะกลับมาพร้อมกัน